คอยพากันตั้ง อ, อกตั้งใจลงไปผูรักษาโอุปโธดสินก็ดีแ้วต้องให้มันลุกขึ้นนั่งภาวนาอยา่าไปเห็นแก่นอนอย่างเดียวฝึกจิตนี่แหละให้มันส ง, งบให้มันหายจากความฮ้วงความเหงาถ้าเราไม่ฝึกแล้ว มันก็จะต้องติดในความหลับความนอนอยู่อย่างนั้นก็จะไม่มีปัญญาละทีเด็ดตัณหาอะไรเลยเพราะฉะนั้นอนะ่ะเจ็ดวันหมดแล้วจึงได้มาวัดทีหนึ่งแค่นี้มันก็ควรทำใจเข้มแข็งทำความเพียรให้เด็ดเดียวนอนน้อยที่สุดเลย แต่เนี่ยในตำราท่านแนะนำผู้ประกอบความเพียรว่านอนเพียงสี่ชั่วโมงก็พอแล้วก็ยังมากก็่ห้าชั่วโมงในกำหนดลงอย่างนั้น <c oughs> เวลานอกนั้นก็เป็นเวลาที่เราฝึกตนด้วยการฟังธรรมบ้าง โดยการนั่งสมาธิภาวนาบ้าง <c oughs> ไม่ควรที่จะหาเรื่องอื่นมาพูดกันคุยกันเพราะว่าเราได้พูดได้คุยกันมาพล ร, รงแล้วมันก็ไม่ได้เกิดปัญญาที่จะละกิเลสออกจากหัวใจได้การที่จะละกิเลส ให้บบาบางแก้คิดใจได้นั่นก <c oughs> <c oughs> ็ต้องละด้วยศีลศีล น, นั้นละกิเลสอย่งางหยาบให้ออกไปกิเลสอย่งางหยาบไม่เอาบาปอากุศลที่จะนำบุคคลให้ไปต ก, ต ก, ตกนรกอบัยภูมินี่นะผู้มีผู้มั่นในศีลแล้ว ก็จะไม่ทำบาปนั่นแหละการละกิเลสด้วยศีลเนี่ยมันต้องมั่นใจในศีลให้จริงๆไม่ต้องอ้างโน้นอ้างนี้อะไรถ้าไปมัวแต่อ้างอุปสรรคนั้น น, นี่อยู่ก็ก็จะเป็นผู้มีศีลด่างศีลพร้อยศีลไม่สม่ำเสมอ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วผลที่จะได้รับต่อไปมันก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์นั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นก็สินสินนี้ได้ชื่อว่าเป็นรากเหง้าของบุญกุศลก็ว่าได้เพราะว่าสินนี้เป็นที่รองรับสมาธิผู้มีสินเป็นพื้นฐานแล้วย่อมมีจิตใจของแพ่วเบิกบาน ปราศจากบาปอกุศลอย่างนี้แหละเจิญ <c oughs> <c oughs> ใจที่สะอาดปราศจากบาปอกุศลก็สมควรที่จะเป็นฐานรองรับสมาธิภาวนามันเป็นย่งงนั้นใจไหมายความว่าเมื่อใจเบิกบานผ่ใสปราศจากบาปอกุศลแล้ว เราน้มเข้าสู่ความสงบมันก็สงบลงได้ง่ายเพราะมันไม่มีบาปมารบ ก, กวนนี่ถึงจะมีก็มีบาปเบาๆไม่เป็นบาปอย่างหยาบเหมือนอย่างเบื้องต้นนั้นเบื้องต้นนั้นมันเป็นบาปขนาดหยาบเช่นอย่างว่าการคิดเบียดเบียนกัน จองเวยียนกันขาดเมตตากรุณาต่อกันละกันไม่เอื้อเพื่อเกื้อคูณกันมีแต่คิดเบียดเบียนใช้อำนาจบาดใหญ่ข่มขีขูดลิดเอาจากคนคนที่มีอำนาจน้อยขัวตน้นนี่เดียว่าคนไม่มีเมตตาทมกรุณาธรรม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 สังเกตดูมันจะนั่งได้ยังไงจิตมันพุ่งซ่านเลื่อนลอยมันสงบไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นแม้แต่ที่จะมาสมทานสินแปดและสินอุโบสถอย่างนี้มันก็ไม่กล้าไม่มีความสามารถคือว่าจิตมันถูกบาปอากุศลครอบงำแล้วมันให้โยธาในการที่จะทำความดีหมายความว่าอย่างนั้น ดังนั้นผู้ที่มีศรัทธาลงได้มารักษาสินอุโบสถอะไรลงไปอย่างนี้แล้วก็ไม่ควรที่จะไปให้จิตใจมันโน้มไปทางบาปอกุศลควรรักษาเจตนาวิรัติเวื่อนจากบากจากโทษอนั้นไว้ให้ได้เอเมื่อตนได้เว้นแล้วก็เว้นเลยไปเช่นนั้นบาปมันถึงจะ บ, บาวางหมดไป อยากิดใจได้ถ้าไม่ตั้งเกตนาวิริยเวทไใติติดต่อกันไปอย่างนั้นบาปมันก็ไม่หมดแล้ว อ, อมันเป็นอย่างนั้นถึงว่ามันสำคัญในแท่เรื่องศีลนี่นะขอให้พากันใส่ใจให้ ม, มากๆทีเดียวอ่ะอที่คนเราจะวนเวียนเกิดแก่เจ็บตายสเสวยอิบา ก, กรรมทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกนี้ก็เพราะ เป็นผู้ล่วงศิล น, นี่เองเนี่ยไม่สำรวมในศิลนไปนเรียดเวียนผู้อื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนกรรมนั้นก็เลยติดตามสนองเอาเกิดชาติใดเพิก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนถูกแต่เพื่อนเบียดเบียน เ, เอาหาความสบายไม่ได้หามิถาสหายยากมีแต่ผู้เป็นศัตรูต่อตน้นนี่เรื่องบาปกรรมเมื่อมันตามสนองมันเป็นอย่างนี้แหละ จะไม่เป็นทุกข์อย่างไรแล้วคิดดูดังนั้นแหละผู้ดใดมีศรัทธาแรงกล้าในพุทธศาสนาถึงกับว่าได้เข้าวัดเข้าวานได้รักษาศีลหา้าศีลอุโมงค์สดแล้วทีนี้ก็พากัน ร, รักษาให้มันสม่มเสมอไปเพราะว่าอายุสังขาร น, นี่มันก็ไม่นานอะไรแล้วเราจะอยู่ในโลกนี้ไปไม่นานแล้ว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 ก็ต้องถามจิตใจตัวเองดูสินนถ้าต้องการเนี่ยเอาเอาเอาทั้งบุญทั้งบาปแล้วเพไปด้วก็เอาไม่มีใครว่าอะไระแต่ถ้าหากว่าตนต้องการความสุขล้นล้นไม่ต้องการความทุกข์อย่างนี้ไปเบื้องหน้าให้เพีนสุขล้นล้นไปอย่างนี้ก็ต้องเว้นจากบาปกรรมในชาตินี้ให้มันเด็ดขาดลงไปเลยออย่างนี้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 เบิกบานพองแผ้วไม่ค่อยมีจิตฟุ้งซ่านเลื่อนลอยเท่าไรธรรมดาจิตใจที่เป็นบุญกุศลมันก็เบิกบานพองใสที่ในเมื่อเราน้ อ, นอมลงสู่สมาธิภาวนามันก็ดลงได้ง่ายถึงว่าจะมีกิเลสมาลบ ก, กวนบ้างก็ไม่รุนแรงเราก็พยายาม ถอโทุ่มันไปเพ่งจิตคือความรู้สึกอ น, นั้นอยู่จนว่าสติมันแก่กล้าเข้าไปแล้วมันก็ระ ง, งับความคิดความวิตกวิจาร่างต่างไปได้นี่นะนั่นแหละกิเลสอันใดที่มารบวนจิตใจให้สงบไม่ได้มันก็สงบลงได้เพราะว่าอำนาจแห่งความเพ่ง ที่ท่านเรียกว่าฌานชานชานางแปลว่าการเพ่งนี่นะดันั้นเราต้องเพ่งความรู้สึกภายในนี่เนะ่โน้มสติเพ่งเข้าไปหาความรู้สึก น, นั้นโดยกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นอารมณ์ไม่คิดไปในเรื่องใดๆทั้งหมดนี่ เมื่อสติมันแก่กล้าสัมปัญญะทำความรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันว่าขณะนี้จิตของตนตั้งมั่นอยู่อย่างนี้สัมปัญญะมันรู้สติมันก็ประคองความรู้สึกอันนั้นไว้อย่าให้มันหลงคิดพุ่งไปในทางอืน่นเบเพ่งอยู่นั้นสติมันแก่กล้าเข้าไปแล้วมันก็ทำจิตนี้ให้รวมลงเป็นหนึ่งได้ละ อารมณ์ต่างๆที่เป็นข้าศึกแก่ความสงบอันนั้นลงได้เช่นความรักความชังความง่วงเงาเหงานอนก็สร้างไปด้วยอํานาจแห่งความเพ่งแห่งสมาธิเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วความง่วงเหงาไม่มียอมสางไปเป็นอย่างนั้นแล้วความฟุ้งซ่านลำคางเขาขิดก็ไม่มี ความสงสัยลังเลเรื่องบาปบุญคุณโทษก็ไม่มีเช่นนี้นะนี่แหละกิเลส ท, ที่เป็นข้าศึกแก่ความสงบให้เข้าใจกันเมื่อเราเพ่งเข้าไปกิเลสเหล่านี้มันระ ง, งับลงไปเราก็รู้นี่หรือว่ามันยังไม่ระ ง, งับก็รู้เมื่อเราเพ่งอยู่ภายในนะมันเป็นอย่างนั้นถ้าไม่เพ่งอยู่ภายใน ไม่ประคองความรู้สึกอันนั้นไวน้นี่มันไม่รู้สินันแะจิตอ่อนแอท่อแท้แล้วก็กิเลสมันก็ผลักดันให้คิดส่งออกไปข้างนอกนูน่นอมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นจึงอาศัยเราเพ่งให้จิตมันเข้มแข็งขึ้นไว้แล้ววันนี้กิเลสเรามันก็สู้อำนาจแห่งสมาธิไม่ได้ก็สงบไป เรื่องอย่างนี้เต้องอาศัยทั้งความเพียรทั้งความอดทนนี่อาศัยสติสัมปชัญญะความเพ่งไม่ท้อไม่ถอยอดทนต่อเจ็บต่อัวต่อหนาวต่อร้อนต่างๆโมนี่ถ้าไม่ไม่มีขันติธรรมประกอบเข้าด้วยก็ไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะว่ากิเลสมันรบกวนจิตใจแล้วจิตใจมันก็อ่อนไหวไปตามกิเลส ถ้าเราอดกั้นทนทานไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งไปตามกิเลสแล้วกิเลสมันก็เจริญขึ้นไม่ได้เมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นว่าก า, า, ารทำความเป็นดังขิตใจนี่ต้องประกอบด้วยคุณธรรมเหล่านี้แหละมีความเพียรเพ่งพินิษ ด, ด้วยแล้วก็ทั่งมีความอดกั้นทนทานต่ออำนาจของกิเลสที่มาลบกวนจิตใจด้วย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 เครื่องหมายหลายอย่างเห็นรูปต่างๆนานาบ้างได้ยินเสียงอะไรต่ออะไรบ้างเห็นแสงสีเหลืองสีเขาสีดาสีแดงอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะบางคนก็เลยไปถึงสวรรค์ถึงมุมโลกนู่นที่แท้แล้วก็คือสัญญาไม่ใช่ความจริงนัน่นเป็นไปตามนิสัยของบุคคล แล้วก็ไม่ใช่ทำอันวิเศษนะการเห็นไปอย่างนั้นนะ่ะที่ใช่เคยมีที่ษูองหนึ่งแต่ครั้งพระพุทธเจ้านั่นนะท่านภาวนาทมจิตให้สงบลงไปอย่างละเอียดละอ้อแล้ววะนี่เอมาคิดว่าดับพาดสีนี้ไปดับตรงไหนโนอ่อย่างนี้นะ ทงกิตของท่านสงบลงไปอย่างละเอียดละอะอไยเป็นฌานไปนน่นเลยก็สงสัยไปนี่พสงสัยพรท่านมีจิตสงบได้บรรลุฌานในท่านมันก็มีฤทธิ์แหละรู้ว่าตนมีฤทธิ์เอเราจะไปถามเทวดาชั้นจารุมดูก่อนพ อ, อนึกอธิษฐานจิตนี้มันก็ตัวลอยไปสู่ชั้นจารุม ไปถามพวกเท่าจาตุมหาราทังทีท่านเลแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันท่านก็แนะนำให้ไปถามนายของผมอะนายผมคือพญายินว่างั้นบางทีท่านจะรู้เอากนลอยขึ้นไปสู่ดาวริงไปถามพญายินพญายินก็ไม่รู้อืมไม่สามารถจะบอกได้ว่าการดับธาตุศีเนี่ยไม่ทราบไปดับตรงไห น, นก็ไม่รู้เหมือนกัน ขอให้ไปถามท่าหมหาพรหมดูก็แล้วกันพระเยินแนะนำอา้าวเท่าอธิษฐานจิตลอยขึ้นไปสู่พรห ม, มโลกไปในขณะนั้นพวกพรหมกำลังประชุมกันอยู่มีท่าหมหาพรหมเป็นประธานก็ไปกระชิดถามท่าหมหาพรหมมาท่าหมหาพรหมก็กระชิดกับพระองค์นั้นว่าแม้ข้าพระเจ้าก็ไม่รู้เหมือนกัน ถ้าข้าพเจ้าจะพูดดังๆนีพวกคมบริษัททั้งหลายได้ยินแล้วก็จะขายหน้าว่างั้นอต่ทำไมแล้วท่านจึงร่วงเลยพระศาสดามามีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นแหละจะรู้ทางวิธีดับธาตุสีขันธ์ห้า 4, 5, อันนี้ลงได้ว่างั้นท่านจงกลับลงไปไปทูลถามพระพุทธเจ้านั้นดีกว่าว่างั้น พระองค์นั้นถึงได้กลับจากพมรโลกลงมาลงมาแล้วก็ไปฝ้พอพระพุทธเจ้าไปทูลถามถึงอุบายวิธีดับพาดทั้งสี่อันนี้พระองค์เจ้าจึงได้ตรัสว่าอ้าวพิกษุเธอก็ไปถามถึงท่ามหาพรหมนู่นแล้วไม่ใช่เหรอแล้วทำไมจึงมาหาเราสถาคตอีกเล่าอย่นั้อ ถึงทำหรือเปล่าผมโกไม่รู้พระเจ้าข่าว่างั้นดังนั้นแหละพระองค์เจ้าจึงได้ทรงแนะนําสั่งสอนพระองค์นั้นให้รู้จักวิธีดับธาตุทั้ง <c oughs> ทีก็ทชงสอนให้เพ่งพิจารนะให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงและจะไปยึดถือว่าอันนั้นธาตุดินอันนี้ธาตุน้าอันนี้ธาตุไฟอันนี้ธาตุนมไม่ต้องไปยึดถือมัน ปล่อยวางตามสภาพเช่นนี้แล้วความจําความหมายความรู้สึกก็น่าจดับไปเมื่อความหมายความจําความรู้สึกมันดับไปแล้วก็ชื่อว่าดับธาตุสีหมายความว่าจิตปล่อยวางธาตุสีได้แต่ธาตุทั้งสี่มันไม่ดับไปไหนหรอกมันก็อยู่อย่างนั้นแหละ ไมร่างกายของคนนี้เมื่อแตกดับลงไปแล้วมันก็ไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำอยู่ของเกา่าอเป็นอย่างนั้นแต่จิตนี้หากไม่ถือมั่นว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรเลยอย่างนี้นะนั่นแหละชือว่าที่ดับธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเมื่อจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วในส่วนที่เป็นรูปก็ ป่อยวางตามสภาพบันนี้ยังยังส่วนที่เป็นนามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เป็นอาการของจิตเราต้องเพ่งพิจารณาให้รู้นามธรรมทั้งสีน่นี้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปอยู่นั่นแหละไม่มีอะไรยั่งยืนเลย ให้รู้ตามสภาพความเป็นจริงมเมื่อรู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็ปล่อยวางตามสภาพมันก็เกิดก็ดับอยู่ตามเรื่องของมันมจิตจะไปหลงยินดียินร้ายกับมันเช่นนี้ก็จับเป็นผู้ดับเสียได้ซึ่งนามมาทำ <c oughs> <c oughs> เมื่อพระองค์นั้นได้สดับโอวาทจากศ า, าสดาแล้ว ท่านไปทำความเพียรพยายามไปไม่นานก็สำเร็จอรหัตตะพหลุดพ้นจากกิเลสน้อยใหญ่ทั้งพวงได้นี่ขอให้พากันเข้าใจเรื่องการส่งใจไปข้างนอกไปตามนิมิตต่างๆหมู่นั้นน่ะมันไม่ใช่เป็นทางพ้นทุกข์นะ การที่ทวนกระแสจิตเข้ามาภายในมากําหนดเพ่งอยู่ในปัจจุบันนี่เนะ่ยถ้ากิเลสอะไดมันมีอยู่ในใจนี่มันก็แสดงอาการให้จิตรู้พราะมันรู้จิตรู้แล้วก็จิตกําหนดละมันไปอย่างงี้แหละเพราะ อ, อํานาจแห่งสมาธิเมื่อมัน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 เช่นความรักอย่างนี้นะเมื่อจิตยึดถือว่ามันก็มีอยู่งั้นแหละความชังก็เหมือนกันนะอืความหลงความเมาไปตามสมมุติบรญญัติต่างๆนั่นนาโมนี่อถ้าจิตไปยึดถือเอาสมมุติเอาบรญยัติไว้มันก็หลงอยู่อย่างนั้นแหละเขาสมมุติยังไงก็หลงก็เหอไปตามเขาอืเขาสมมุติกันว่ก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 ถ้าเป็นกรรมการจัดการเรื่องเงินเรื่อ ง, องทองให้อทีนี้ก็เอาแบ่งกันเอาไปบ้างแล้วก็เอาให้เจ้าของผู้เป็นเจ้าตนบุญบ้างอะไรพวกนี้นะเคยมีอยู่เอเคยมีอยู่เนี่ยเลื่อยมาเป็นระยะระยะมานี่แหละความหลงของคนนะเพราะฉะนั้นให้ภาวนาให้รู้ไว้ผูใ้ใดรู้ว่า เมื่อตอนมีศีลบริสุทธิ์แล้วยืนยันได้ว่าตายแล้วตนก็ไม่ไปตกนรกนี่ก็ได้ชื่อว่าตนมีบุญสิอย่างนี้เมื่อตอนทําใจสงบเป็นสมาธิอยู่ได้ดีอย่างนี้แล้วจิตมันก็ไม่ตกไปในบาปอากุศลอืมเมื่อตอนเจริญปัญญาเห็นแจ้งในธาตุสี่ขันหานี้อยู่ตามเป็นจริง ไม่ถือมันว่าเป็นเราเป็นของของเราอยู่อย่างนี้นะนี่ก็ยิ่งเป็นบุญอย่างสูงเลยถ้าตนทาในใจโดยไว้แครอยู่เนี้ยตนก็เป็นคนมีบุญผู้หนึ่งและเรื่องอะไรแล้วที่จะไปตื่นเต้นกับเจ้าองค์บุญที่ข่าวโคตรสนาโคมลเอ่อโคมลอยต่างๆ เ, งรรมมเอ่่างๆเอมางเอมย่างๆเมยางเ่มลย่าถืเอมองคมลตืง่นคตาเ่คม่างเม่เอื่อกรโมา ไม่เชื่อผลของกรรมนี่นะไออย่างนี้แล้วคุณเข้าวัดเข้าว่าอยู่ทำบุญฟังธรรมอยู่ก็ยังหลงตื่นเต้นไปตามมงคลตื่นข่าวอย่างที่ว่านี้มากมาอยู่ของคนไทยเราจังว่านี้นะหน้าทุเรศน ะ, ะเดี๋ยวนี้ก็ตื่นอะไรต่ออะไรกันสารพั น, พนแหล ะ, ะไม่ ต้นไม้ใหญ่ๆอย่างนี้นะเ อ, อ้าก็ไปตื่นกันมีคนออไปขูดเปือกมันขูดจะเกียมันออกเออเกิกฏมาเป็นตัวเลขตัวผาขึ้นมาออผู้นั้นได้เลขไปซื้อระถกข่าวโคตสนาติดต่อกันไปกับลุกเือกันไปขอแบบนี้นะไปขอโชคขอลาบกับต้นไม้ใหญ่ เอออย่างนี้มันจะถอยหลังเข้าคลองแล้วคนในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติบางเกิดขึ้นนั่นก็ถือกันอย่างว่านี่แหละถือบางคนดื่นข่าวอย่างนี้แหละข่าวลือว่าเจ้าผู้มีบุญเกิดขึ้นอีกแล้วก็ โ, โหกันไป โ, โหกันไป โ, โหกันมาอยู่อย่านั้น บางพวกก็สอนกันให้ไหว้พระอาทิตย์ไหว้พระจันทร์บางพวกก็สอนกันให้ไหว้งูก็มีงูนั่นเป็นเชื่อสายของพญานาคบางคน ก, ก็สอนกันให้ไหว้โคอย่างนี้แหละบางฤาษีอาจารย์บางองค์ก็ไปสอนคนให้ลงอาบน้ำแม่คงคา น้ำแม่คงคาเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ไหลผ่านเสียนของประสิวมาแต่สวรรค์ผู้ใดลงอาบลงกินแล้วบาปกรรมทั้งหลายที่ทำมาแต่ก่อนนั้นก็จะหายไปหมดไปคนอินเดียก็ยังเชื่อกันอยู่จนทุกวันนี้เลยตื่นเช้ามาหนาวแสนหนาวลงไปอาบน้ำแม่คงคาแล้วขึ้นมายืนปนมือไหว้พระอาทิตย์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 ทรงแสดงว่าผู้ใดถึงถึงสิ่งเหล่านั้นเป็นที่พึ่งแล้วยอมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งพวงไปได้เพราะว่าการละอาบร้างชำระร้างร่างกายอันแต่ภายนอกนี่เฉยๆเนะยแล้วจะให้บาปให้กรรมความชั่วมันหมดไปได้ยังไงอย่างเพราะบาปความชั่วอะไรมนอยู่ที่ใจต่างหานี้นั่นยหละถ้าไม่เอาน้ําคือธรรมะ เขามาล้างจิตล้างใจนี่แล้วไม่มีทางบาปมันจะหมดไปได้ในท้าวพุทธเรานะเมื่อได้ปฏิบัติอมีสินบริสุทธิ์ทําใจเป็นสมาธิจเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นดังกล่าวมาแล้วนั้นเห็นความจริงของสังขานแล้วก็จะรู้ได้เลยว่าทางพ้นทุกข์มันอยู่ตรงนี้คือความไม่ถือมั่นในขันห่าว่าเป็นตัวเป็นตน นี่แหละจะพ้นจากทุกไปได้การอ้อนวอนดวงสวงไม่มีทางพ้นทุกเพราะว่าจิตใจเนี่ยมันยึดมั่นอยู่ในขันห้านี้เมื่อยึดมั่นอยู่ในขันห้าอิสระใดแล้วทกุก็ต้องมีอยู่อย่างนั้นเพราะขันห้ามันไม่เที่ยงอย่างนี้แหละเพราะขันห้ามันไม่เที่ยงเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงนัสิ่งนั่นก็เป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์แล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาไม่อยู่ในบรงคับบรรชาของผู้ใดอย่างนี้แล้วเช่นนี้นะเราจะไปหาทางคนทุกทางไหน บ, บ่อนี้นั่นเนี่ยหาทางไหนก็ถ้าจิตใจยังยึดขันห้านี่อยู่ใช้ขันหานี่ทํากรรมดีกรรมชั่วอยู่กรรมดีกรรมชั่วก็จะ น, นําจิตให้ไปเกิดในขันห้าอีก ก็จะได้เสวยทุกทรมานอยู่ในของไม่เที่ยงนั้นอีกอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นผู้เท่มามองเห็นว่าตนมีศีลบริสุทธิ์อยู่แล้วตนทำจิตให้สร้างมั่นอยู่ในบุญในคุณอยู่ตนมีปัญญาพิจารณาเห็นสังขาร น, นามลูกอันนี้อยู่เห็นแจ้งในครดีคาชั่วอยู่ยนี่ เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปตื่นเส้นกับมงคลตื่นข่าวอย่างที่ว่านั้นปฏิบัติฝึกตนเข้าไปละกิเลสความชั่วร้ายทั้งหลายให้เบาวางไว้จากกิจใจนี่มันก็ค้นทุกไปโดยลำดับเท่านั้นเองนะดังแสดงมา